hmm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 ยังมีประเภทอันซีนอีกเยอะนะอเมซิงก็มากมายอันซีนก็เช่นช้างเนะี่ยหรือว่ากระสู่วนะโรคเงือกนะเสือพวกนี้ก็เป็นทั้งอันซีนแล้วก็อเมซิงนะแต่ถ้าเราโชคดีนะก็อาจจะได้เห็นแว็บๆก็ได้เราก็ได้เห็นนะ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 คนเก่าคนแก่หรือพ่ออเขยเนี่ยก็เล่านะว่ามันเคยมีฝูงช้างอยู่ฝูงหนึ่งนะมันก็ไม่ได้ไปหากินไกลนะมันก็มาหากินแถวไร่ชาวบ้านสมัยนั้นเนี่ยตรงสาราหอไตรน่ยรู้จักไหมหอไตบริเวณนั้นทั้งบริเวณเนี่ยแต่กอนเนี่ยมันเป็นไร่มันเป็นไร่ขบาวโพดชาวบ้านเริ่มมากันแล้วต่กอนมันเป็นไร่ชาวบ้านนะมันไม่ใช่เป็นที่วัด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 ส่วนช้างมันก็คิดว่าก็นี่ก็ทีของฉันเหมือนกันนะฉันก็ทํามาเรียกว่าหาอยู่หากินแถวนี้มันนานช้างกลุ่มนี้นี่ก็เขาว่านะว่ามันก็อพยพลงมานับแต่นั้นมาอพยพลงมาลงเขาเลยนะมันหนีคนแล้วเขาเขาเดา ว, ว่ามันก็คงจะมามาเรื่อยนะลอนแดนเรื่อยเรื่อยมาจนกระทั่งคงจะมาอยู่ที่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 สุกโตเนี่ยนะคเคลาภูแลนคาเนี่ยมันเป็นป่าพื้นเดียวกันนะสมัยก่อนนี่ป่ามันพื้นใหญ่มากมันต่อกันนะเป็นล้านล้านไรนนะ่เนี่ยก็คิดว่าเนี่ยป่าไอช้างสุกโตเนี่ยก็คงจะอพยพมาเสร็จ แ, แล้วคงจะมาลงเอยที่นี่แหละเพราะวันปลอดภัยตอนที่หลวงพ่อมาสุกโตใหม่ๆเนี่ยปีสองหเนี่ยนะ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 คำว่าทำไม้เนี่ยนะมันตปนว่าตัดไม้นะประมาณก็สี่สกว่าสิบปีที่แล้วเาก็มีบริษัทมาทำไม้มาตัดไม้แถวตั้งแต่โน่นตาโตนท่าหินโงมนะไล่ลงมาอะไรขึ้นไปนะจนกระทั่งถึงตาดินทองนะตาดินทองก็ที่วัดปามหาวันนี่แหละก็ไปกันนะั่นอีกนะ ตัดไม้แต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันเป็นป่าดงดิบนะเกลื อ, อป่าดิบแล้งึกทึบมากไม่มีใครขึ้นมาทํามาหากินบนบนหลังเขานะที่สุกโตเนี่ยบริษัททาไม้เขามาก่อนทําไม้เขาก็มาตัดไม้ไอ้เส้นทางที่เป็นถนนนั่นนะที่เราบินทบาทเนี่ยที่ขุด ง, งออ่ะ ถาเอไฟเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางชักลากไม้รู้จักไหมชักลากไม้เนี่ยคือลากไม้ขนไม้นั่นแหละแต่ก่อนเขาเขารากไม้ด้วยช้างนะแต่ต่อหลังเนี่ยเขาไม่เขาไม่ลากแล้วเขาขนขึ้นรถไปเลยนั่นแหละเป็นเส้นทางขนไม้เนี่ยพอตัดไม้ทําไม้เสร็จชาวบ้านจากเชียงตางก็ขึ้นมาถ้าไม่มีการทําไม้นี่ชาวบ้านขึ้นมายากนะเพราะว่าไม่มีถนน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 แล้วเขาก็จะเรื่อยให้ขาดเลยเพื่ออะไรเพื่อมันเพื่อให้มันโค่นลงมาพอเป็นโค่นลงมามันก็จะกวาดเอาไม้ต้นอื่นๆให้พังคลื่ลงมาด้วยไอ้ต้นอื่นๆเนี่ยมันเกือบมันถูกเลื่อยเกือบจะขาดอยู่แล้วนะพอโดนไม้ใหญ่โค่นลงมามันก็กวาดเอาไอไไม้ใหญ่ก็กวาดเอาโค่นเอาต้นไม้อื่นโค่นลงมาด้วยนะคือกายเป็นโดมิโนโ น, นะ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 เวลาเดินนี่นะเท้าไม่เหยียบพื้นนะนะเวลาเดินเนี่ยเท้านี่ไม่เหยียบพื้นนะเท้านี่มันจะเหยียบแต่กองกองซูงเนี่ยและมันมีช่องว่างตรงไหนนะเขาก็จะหยอดหยอดถัว่วหยอดหยอดถัว่วหยอดเข้าโพดนะลงไปตรงช่องที่มันว่างอ่ะช่องว่างระหว่างซุงอ่ะนะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมัน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 เพราะมันเป็นไม้ราคาไม้มีค่ามาแต่ว่าชาวบ้านนี่เขาไม่รู้อยากไปทำอะไรมันเยอะมากเขาก็เผาแค่นั้นแหละจะเลื่อไม่มีปัญญาเลื่อยต้นมันใหญ่เขาเผาหน้าแรงนะจะไดใ้ให้ที่มันเตียนก็จะได้ปลูกปลูกข้าวโพดมาปลูกด้วยตอนหลังก็เริ่มปลูกมันนะแต่ก่อนจะไ ม, นไม่ได้ปลูกมันสัมปหลังนะปลูกข้าวโพดเ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 รายได้หลักของประเทศเนี่ยอันดําหนึ่งคือข้าวกรองลงมาคือไม้นะตอนหลังก็เป็นมันสำปะหลังมันสำปะหลังก็แซงข้าวเราได้เงินตาต่างประเทศมาเราก็เอามาพัฒนาประเทศสร้างถนนนะสร้างตึกเนะที่เราที่กรุงเทพเนี่ยมันมีถนนเยอะๆเนี่ยมันมีตึกมากๆเนี่ย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 หรือถ้าโกจะเก็บใน ด, ดีก็เก็บเป็นภาพเอาไว้อันนี้ได้นะแต่อย่ากเก็บอย่างอื่นยิ่งไปตัดยิ่งไปทำลายยิ่งไม่ควรใหญนะ่ก็มานี่แล้วก็ให้เรามาเรียนรู้นะในเมื่อเรามาป่าแล้วก็ให้เราเรียนรู้เรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้คุณข้างธรรมชาติอะแล้วก็พอสมควรจะเวลาแล้วนะก็เอาท่อนนี้ก่อนแล้วกัน